ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เมื่อในผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมาแยกกับความดีความชั่วออกกากันอันใดเป็นความชั่วแล้วก็ทิ้งไปเลยอันใดเป็นความดีก็รวบรวมไว้ในจิต การทำสมาธิก็เพื่อรวบรวมกุศลคุณงามความดีไว้ในจิตนั่นเองอเมื่อเราไม่ทำจิตแตเป็นสมาธิถึงจะทำความดีไปมันความดีคือบุญกุศลมันก็กระจายไปทั่วไม่ได้ไประรวมอยู่ที่ จ, จิตใจ นั่นแห่งเดียวก็เพึ่งเข้าใจอย่างนี้การที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ทำสมาธิภาวนาเพราะเนื่องจากว่าจิตใจที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหานี่นะก็กิเลสตัณหานั่นแหละมันปัน่นจิตเอาให้คิดไปร้อยแปด เมื่อคิดไปแล้วมันไม่รู้เท่ามันก็ทาตามที่คิดนั้ น, นคิดดีมันก็ทาดีไปเมื่อมันคิดชั่วมาก็ทาชั่วไปอย่างนี้แหละมันมันไม่รู้ความไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปติดตัวไป ให้พึ่งเข้าใจกันบางคนก็คิดว่าเราไม่ภาวนาเราก็สบายสบายอยู่นี่ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรหวสบายแต่เวลามันสบายไปถือเอาแต่เวลามันสบายนั้นเวลามันไม่สบายไม่ถือไม่ว่าอย่างนี้เนี่ย ถ้าเมื่อบุคคลมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามทำจิดของตนให้สมมเสมอโดยมีสติมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาปัญญานี่มัน จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งไม่ว่าใครจะมีความคิดความเห็นไปในทางไหนเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้าเป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องนั้นต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานทั้งนั้นแหละ เช่นนักศึกษาเลาเรียนอย่างนี้นะนักออกแบบออกแปลนนักคิดคิดคน้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรหมู่นี้เป็นต้นมันต้องเข้าห้องที่ปราศ จ, จากเสียงรบ ก, กวนนะนแล้วกำหนดจิต ได้ตั้งลงไปแล้วจึงค่อยเพ่งดูเรื่องที่ต้องการรู้ต้องการเข้าใจนั้นในทางวิทยาศาสตร์เขาเจริญมาได้ก็เพราะอาศัยสมาธินี่เองแต่ว่าสมาธิในทางโลกนั้นเพียงเพื่อให้เกิดปัญญา รู้แจ้งในกิจกรรมของโลกนี้เท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแต่อย่างใดมันต่างกันตรงนี้ส่วนปัญญาในทางธรรมนี่เราอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็มาวิจารณ์ดูธาตุสี่ขันห้า อันที่ดวงกิจอาศัยอยู่นี่มันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาสมควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นศารนี่ก็จต้องวินิจฉัยพิจารณาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองได้ว่าอย่างไร แน่นอนแหละถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตอบตัวเองว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือจริงๆธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เพราะว่ายึดถือไว้แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้และสำหรับสมัยทุกวันนี้คนก็มีอายุสั้นอีกด้วยมีบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายเท่านั้นเอง มีอะไรล่ะ น, นั้นรีบเร่งเข้าไปผู้ใดรู้ตัวว่าชีวิตนี่น้อยเดียวอย่างนี้แล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปพยายามอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแต่อย่าไปลืมว่าสมาธิมันต้องมีศีล เป็นที่ตั้งมันทำสามอย่างนี้ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยลำดับเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทยอย่าไปสั้คัญว่าตนยังหนุ่มยังแน่นยังจะไม่ตายง่ายก่อนไม่ควรสําคัญอย่างนั้น เมื่อมันหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วมันตายไม่ได้เลือกว่าไว้เด็กไวหนุ่มไว้กลางไว้แกช่ชราชีวิตนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมบาปกรรมให้พึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะอ้อนวอนขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ช่วย ต่ออายุยั่งยืนนานต่อไปเท่าที่จะนานได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้ใครๆสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดในโลกก็ช่วยต่ออายุให้ยืนนานไปไม่ได้หรอกแม้บุญกุศลที่ทำในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้อีก มันทำหน้าที่คนละอย่างกันบุญเก่ามันทำหน้าที่รักษาชีวิตอัตภาพร่างกายนี่มาโดยลำดับ ม, มันมีหน้าที่บำรุงรักษาร่างกายนี่บุญเก่านั่นนะแต่มันก็มีเวลาจํากัดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหะ เออมันหมดเขตของบุญบาบนั่นแล้วบุญบาปนัน่นก็ดับไปอ่ะมันเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารนี่แหละเวลาอาหารที่ไฟาธาตุย่อยเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นยังมีอยู่ตราบใดความหิวมันก็ยังไม่มีความหิวก็ยังไม่เกิดขึ้น ต่อเมื่อใดอาหารอันละเอียดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นมันหมดลงคราวนี้แนี่ร่างกายก็ทรงอยู่ไม่ได้เลยแม้บุคคลจะรับประทานอาหาร อ, อันอรอร่อยเท่าไรเท่าไรบำลุงเข้าไปมันก็มันรับไม่ได้ซ้ำอาหารนะเมื่อพุญเก่าหมดลงแล้ว อาหารก็จืดชืดรับประทานไม่ได้เลยอย่างนี้แล้วมันจะเหลือหรือมันจะอยู่ได้หรือร่างกายอันนี้นั่นแหละตรงพี่นาดูให้ดีทุกวันนี้คนก็มีอายุสั้นซะด้วยดัยงนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าร่างกายนี้ มันก็เป็นของแตกดับเป็นธรรมดาอย่างนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไปขมักขมันทำความเพียรอะไรก็ปล่อยให้มันแตกมันดับไปตามเรื่องของมันแล้วก็เลี้ยวไปสิบางคนก็อาจจะคิดเห็นไปอย่างนี้ก็เลยไม่นำพาในอันที่จะฝึกข้นจิตใจนี้ต่อไป นั่นเรียกว่าความเข้าใจผิดจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจง่ายงายไปโดยไม่มีเหตุผลถ้่โดยเหตุผลแล้วเพราะจิตตรงนี้มันสะสมกองกิเลสมาแล้วนมนานอนะ่ะหลายชาติหลายภพเลยที่ร่วงแล้วมามันสะสมไม่ในจิตนีนะ เหตุดังนั้นแหละเมื่อเกิดมาในชาตินี้กิเลสนั่นเมื่อมันได้เชื่อคือมันได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกแล้วมันก็ย่อมมีกำลังวางชาลุกขึ้นรบ ก, กวนจิตใจที่สงบให้พุ่งส่านให้เรื่อน้อยไปต่งางนานา มันเป็นงานเรื่องวะนะไอ้กิเลส ท, ที่มันหมักหมมในใจิตใจนั้นมาในสงสารอันนี้เมื่อมันยังไม่ได้เหตุยังไม่มีเหตุมากระทบกระทาั่งมันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่า ง, งานั้นเหมือนกับหญ้าแห้งใบไม้แห้ง เมื่อมันไม่มีไฟมาติดเข้ามันก็ไม่ลุกโพรงขึ้นได้มันก็แห้งอยู่นั้นในที่สุดมันก็ผุพังไปลงเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละหญ้าแห้งใบไม้แห้งทั้งหลายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละหญ้าแห้งใบไม้แห้งอุปมาเหมือนอย่างกีเลสที่มันติดสอยห้อยตามมาแต่อเนกชาติ เมื่อเกิดมาในชาตินี้จิตใจมารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปรุงไม่แต่งกิเลสต่างๆเหล่ า, านี้ให้มีกำลังขึ้นมันก็เกิดไม่ได้มันก็มีกำลังขึ้นมาไม่ได้เลยมันก็มีแต่ใจเหี่ยวแห้งไปหมดไปเท่านั้นเองนะ ให้พิสูจน์พิจารณาดูให้ดีอ้กิเลสของเก่าที่มันจะกำเริบขึ้นรุนแรงได้ก็เพราะว่าหิดนี่ไปหลงไหลในเหยือ่อหรือในปัจจัยเครื่องก่อให้เกิดกิเลสไปหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในเครื่องสัมผัสต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้ไปลงยินดีหลงยินร้ายหลงรักหลงชังไปในรูปเสียงนั่นนั้นเช่นนี้แหละกิเลที่มันมาขมมาในจิตใจมันจึงมีกำลังแก่กล้าขึ้น มันจะมีอำนาจครอบงำจิตใจนี่ไม่ให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอะไรได้เลยมีตาอให้หลงให้เมาไปอย่างนั้นดังนั้นนะจะพากันพิจนารณาดูให้ดีมันเป็นทุกข์กับกิเลสมานับชาติไม่ท่วนแล้ว อย่าไปสงสัยเลยเช่นเป็นทุกข์กับความ ร, รักอันนี้ก็โอยคณ น, นานับไม่ท้วนเลยเป็นทุกข์เพราะความชังความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็หลายชาติหลายภพมาแล้วแหละอืมนี่นะเป็นทุกข์เพราะความหลงเพราไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ เคมองเห็นความทุกขกว่าเป็นความสุขไปมองเห็นความสุขกว่าเป็นความทุกขไปอย่างนี้นะอมองเห็นความทุกกว่าเป็นสุขก็ได้แก่บุคคลผู้ที่บริโภคกรามะคุณนั่นเองเนี่ยเมื่อเกิดความยิน ด, ดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นทุกข์เลยนึกว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาสมประสงค์แล้วตนจะมีความสุขความสบายอย่างนี้นะก็จึงสแสวงหามเมื่อสแสวงหาได้มาแล้วของไม่เที่ยงนะมันต้องรักษานี้นั่น มีผัวมีเมียมาแล้วก็ถึงก็ไม่ต้องอาศัยอะไรก็อยู่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้ถึงจะมีผัวมีเมียก็ตามไม่มีก็ตามอันร่างกายนี่มันต้องในอาศัยผ้าหนุ่งผ้าห่มอาศัยอาหารรอเลี้ยงไว้อาศัยบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัย ป้องกันลมแดดฝนสัตว์เลื้อยคานสัตว์ที่มีพิษต่างๆอย่างนี้แหละมันต้องอาศัยปจัจจัยสี่นี้ร่างกายนี้ถึงเป็นอยู่ได้อย่างนั้นเน่ลองพิจารณาดูให้ดีชิงอยู่แม่อาศัย ปัจจัยทั้งสี่นี้ร่างกายจึงมีอยู่ไปได้แต่ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้เลยอผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะอาหารก็รับประทานไม่ได้อืมสร้างเตื้สร้างรามอยู่อ โอท้องมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายแต่เมื่อบุญเก่านั่นมันล่อยล้อลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็โรคภัยก็เจ็บเบียดเวียนได้สเสวยทุกขเวทนาหรือไม่เช่นนั้นกับความแก่ชราคอบงำเอาร่างกายนี้สำรุดสุดโทมไป ไอ้บ้านเรือน อ, อาคารที่อาศัยโอทงอ่อนนุ่มนิ่มเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้ร่างกายนี่กระปีกระเป่าอยู่เหมือนยังหนุ่มยังแน่นไม่ได้เลย ม, มีแต่สุดไปโทมไปในที่สุดเมื่อบุญเก่านวะมันหมดลง ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงไปนี่เป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนักภาวนากระจงพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วมันจะได้คลายความรักคลายความชังออกไปจากกิจใจ จะคลายความหลงออกไปนี้แหละบุคคลมาหลง อ, อสําคัญว่าความทุกข์กลายเป็นความสุขไปก็เคยก็ว่ามาแล้วอย่างผู้บริโภคกรรมคุณที่แท้แล้วมันประกอบไปได้วยทุกข์นานาประการแต่ก็เห็นว่าเป็นสุขไปมันเป็นเหยื่อโรอพอ หลํมเข้าไปจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายอย่างนี้นะบุคคลผู้หลงเห็นสุขว่าเป็นทุกข์นั่นคืออย่างไรบุคคลมีผู้ชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างนี้นี่ ความรู้สึกของบุคคลบางพวกบางคนถือว่าเป็นทุกข์ยากลำบากทำได้ยากเรานั้นไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้นั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงจิตก็ไม่สงบเป็นทุกข์เปล่าๆ อ, อย่างนี้แหละแล้วบางคนก็ไม่เห็นานิสงแห่งความสงบซ้ำเลย ว่าการทำจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งลงเนี่ยมันมีความสุขโดยแท้จริงอย่างนี้มันก็มองไม่เห็นเขามองเห็นแต่การที่ปล่อยจิตให้ไปเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นนั่นถือว่ามีความสุขมีเงินมีทองมาแล้วก็ ใช้จ่ายไปบำรุงบำเลรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่งตางๆในโลกนี้ถือว่ามีความสุขอย่างนี้แหละนั่นเล้เห็นความสุขกว่าเป็นทุกข์ไปดังกล่าวมาแล้วนั้นเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่จิตใจไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อื่นดังนั้นบุคคลใด ไม่ทำใจสงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ได้พบความสุขทีแท้จริงไปอย่างนั้นถ้าผู้ใดที่มามาเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพิจารณาดูเสียก่อนแล้วก็รู้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันสงบแล้วนะมันไม่มีภัยอันตรายอะไรเลย ลองคิดดูบ้านเรือนอาคารต่างๆสร้างดีแล้วอย่างนี้นะพ้นลมมาอย่างนี้มันก็ไม่หักไม่พังไม่ทะลุลงไปมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอย่างนี้แหละถ้าบ้านเรือนที่สร้างไม่ดีใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่สมดุลกัน มันทานน้ำหนักไปไหวมันก็ยุบลงไปพังลงไปมันยังข่าวลือที่มันยุบมันพังมาอยูนั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเมื่อไม่ฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้สงบระงับให้หนักแน่นไม่สั่งสมบูญณ์กุศลให้มากขึ้นในตนเช่นนี้แล้ว เป็นผู้มีบุญน้อยหมายเขาไว้อย่างนั้นแหละเกิดมาในชาตินี้ก็สร้างบุญกุศลแต่นิดเล็กน้อยน้อยหนึ่งอ้าวพราะตายจากจชาตินี้ีเราไปเกิดชาติหน้าบุญกุศลมีน้อยมันก็ไปแต่งร่างกายให้ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณนะ์มันก็ไปแต่งจิตใจให้วอกแวกให้เลาะและเล้วไหล เป็นคนใจไม่ตั้งมั่นไม่มีปัญญานั่นแหละคนที่ชอบไปทำความชั่วคนไม่มีปัญญาจะหาปัจจัยสี่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้สมบูรณ์ได้หมูนี่มันก็ร้วนตั้งแต่เป็นคนไม่ได้ฝึกตนมาแต่ก่อนมัวเมาแต่เพลิดเพลินในการมคุณอย่างที่ว่านั่นแหละ เห็นสุขเ อ, อเห็นทุกข์เห็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปอย่างนี้เนะี่ยมีแต่มัวเมาเพราะฉะนั้นเกิดไปชาติหน้ามันก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆมีความทุกข์มากกว่าความสุขอย่างคนที่ มีความทุกข์มากกว่าความสุขในปัจจุบันนี้แต่ชาติก่อนก็หมายความว่าทาความดีน้อยเดียวท่านมีผู้ชักจูงแนะนำให้เข้าวัดให้ฟังธรรมจำศีลอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจมไม่พอใจเลยหาทางหลีกเลี่ยงไม่เอาไม่ไป หาว่ามีการมีงานติดธุระการงานไปไม่ได้บางทีว่ามีผู้มาชักชวนไปเที่ยวสวนสนุกกันหรือไปเที่ยวในขับในบาร์กันไปดื่มเหล้าเมาสุราไปดูหมือศพกบกันต่างๆ่งนี่นะ จิตใจเบิกบานขึ้นมาเลยพอใจเลยแล้วก็ไปกันเงินทองใส่กระเป๋าไปผูป้มีมากก็ใส่มากผู้มีน้อยก็ใส่น้อยไปไปแล้วก็ไปใช้ใจ่ายดื่มเหล้าเค้านารีดูมหมอระศบรบกันต่างๆมาก็หมดเงิน อ, อย่างนี้แล้ว หาเงินไม่ทันก็ลงทุกเท่านั้นเองคนติดความสุขทั่วคราวเป็นอย่างนั้นนี่แหละมนุษย์เราถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เมื่อตนบกพ่องด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างว่านี่บางคนบางพวกบางเราเข้าไปวิจารณ รัฐบาลไม่เดวแลอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เห็นใจคนจนอ่อย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องถ้าตนมีบุญว่าธนาได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนมันก็ช่วยตัวเองได้บุญกุศลก็โดนบันดาลให้ตนหาทรัพย์สมบัติได้ตามความประสงค์เลย เพามีบุญเก่าหนุนทรงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะเมื่อผู้ใดมีบุญน้อยมาแต่ก่อนแล้วบุญน้อยมันก็ไม่มีกำลังสามารถที่จะดอนบันดาลให้จิตใจนั่นมองเห็นช่องทางหาเงินหาทองเข้าของได้มาอย่างมากมายมองไม่เห็นเลยคนมีบุญน้อยนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะ แต่เด็ถึงขนาดคนเราก็ยังไม่ตื่นตัวนะส่วนมากนะลงเมือ่อเมื่อตอนว่าตนเืองคนจนก็เมาในความจนอยู่อย่างนั้นแหละไม่คิดว่าอันเราจนนี้เพราะเราแต่ชาติก่อนได้ทำบุญกุศลน้อยได้ทำความดีน้อยได้บริจาคทานน้อยได้ไหวพระภาวนาโน้ย รักษาสินน้อยอะไรอย่างนี้นะไม่มากเมืม่อมาเชื่ออย่างนี้แล้วเกิดมาในชาตินี้ถึงจุดถึงจะทุกข์นหนโลกก็ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าคนจนนะ่ะมีเงินทองเข้าของเล็กน้อยไม่มาก แต่สามารถเกียดไปให้ทานได้เช่นนี้นะท่านว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเนี่ยเพราะว่ามันทำได้ยากของมีน้อยมันย่อมอะไรยมเสียดายเข้าทำลองที่ว่าอไปให้เพื่อนไปแล้วก็หมดตัวนะสิอย่างนี้นะผู้ใดเสียดายอะไรอยู่นั้นตัดสินใจไม่ลง คนยากคนจนนี้ก็ไม่ได้ทําบุญเลยโดยถ้าจะคิดว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้มากๆคนนี้ก่อนจึงจะทําบุญทําทานอย่างนี้นะอืหาอย่างไงมันก็ไม่ได้สิคนบุญน้อยได้ก็ได้ไม่มากนะดังนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นสําหรับคนยากคนจนทั้งหลายนะแม้เรา มีน้อยอย่างนี้เราให้ทานน้อยไปมันก็มีอานิสงส์มากเพราะเราตัดสินใจละความตณี่ห่วงเห็นความเสียดายอะไรหมนั่นเนี่ยออกจากกิจใจไปได้มันถึงมีอานิสงส์มากเรื่องมันน่ไอคนที่มีเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วนั้นแม่บริจาคทานไปมันก็ไม่เสียดายอะไรให้ทานไป เหมือนอย่างตินนบานทุกตะในอดีทก า, ารที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงไว้นั่น น, น, นะเมื่อมีทรัพย์สมบัติเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็เอาไปซื้อได้กับเข็มไปโมทนากระถินกับเศรษฐีอย่างนี้นะอา น, นิสงส์นั่นมันแรงมากอ่ะเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่น ก็ได้กล่าวคำอนุโมทนาสาธุการกันแท่ซ่องเทียงดังสนั่นไปท้องฟ้าอากาศเศรษฐีได้ฟังนั้นตกใจไม่รู้เรื่องนึกว่าจะเกิดมีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของตนจึงได้ไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า ไม่ใช่มีความวิบัติความเจ็บหายอะไรตังเกิดแก่เศรษฐีหรอกอันนั้นเนื่องจากว่าชายทุกาตะคนนั้นนะเขาทำบุญซึ่งทำได้ยากคนส่วนมากทำไม่ได้เขามีผ้าผืนเดียวแล้วเขาเอาไปจำหน่ายได้เงินมาแล้วเนี่ก็ซื้อได้กับเข็มไปอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับเศรษฐี อันนี้สงมาแรงมากเนอ็จเถีฐีตั้งกองกระถินมโหฬารหมดเงินหมดทองมากมาย ก, กายกองก็ยังสู้คนทุกข์อันนั้นเอาได้กับเข็มไปโมทนาไม่ได้เลย น, นั่นแหละแสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้ผู้มีเงินเหลือใช้เหลือจ่าย แล้วอย่างนี้แม่นให้ทานไปมันก็ไม่ยากลำบากอะไรฮนะ อ, อันส่วนคนทุกคนจนนี่นะคิดแล้วคิดเล่ากลั ว, วจะให้ทานได้มันคิดเห็นเหตุเห็นผลกระจางแก้งในใจก่อนว่าไอชาตินี้ที่เราทุกข์เราจนหนนโลกอยู่นี่ เข้าใจว่าในชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญลำทานอะไรมามากมายเช่นนั้นนะเกิดมาชาตินี้เราจึงยากจนขนแค้นที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีผ้าจะนุ่งกาห่มให้สมบูรณ์เหมือนอย่างคนทั่วไปก็ไม่มีอาหารการกินะจะได้กินอาหารดีๆก็ไม่มี ได้กินอาหารแต่เร็วๆอย่างนี้แล้วก็เอาเถอะแต่อย่างนั้นชาตินี้หากว่าเราไม่ทําบุญให้ทานสืบต่อแล้วก็ชาติต่อไปเรายิ่งจะจนลงไปกว่านี้อีกคําเราจะไปตกนรกหมกไห่อยู่นั้นคนไม่มีบุญนะมันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ ตัดสินใจสละของเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวนั้นออกไปเย็บใบ ไ, ไม้นุ่งแทนผ้าเขาสละลงไปถึงเพียงนั้นเนี่ยเตุทางนั้นมันถึงมีอานิสงส์มากบางคนก็อาจจะว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นคนมั่งมีร่ำรวยหมนั้น อทำบุญมากๆมันก็ได้บุญน้อยแลวสวิมันก็อาจจะคิดไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนั้นก็ได้ตามที่แสดงมานี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเศรษฐีนะทำบุญให้ทานก่อนจะทำบุญให้ทานก็ น, นึกพิจารณาก่อนว่า สมบัติเหล่านี้เราได้มาดได้บุญได้กุศลเราต้องทาบุญํำทานมาแต่ก่อนมากมายผลมันจึงมาปรากฏในปัจจุบันนี่มีสมบัติมากมายกายกองแต่สมบัติเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยัง่งยืนมันย่อมทิหายด้วยภัยต่างๆเช่น อุทากาภัยภัยคือน้ำท่วมอักีภัยไฟ ภ, ภัยคือไฟไหม้โจรภัยภัยคือโจรมาจี้ปร้นลักเอาไปสงครามภัยเมื่อเกิดสงครามกันแล้วอย่างนี้นะเขามาทิ้งระเบิดใส่ในเมืองในานาตึกลามเก้าชั้นจิบชั้นก็พังพินาศลงไปมือด mm hmm. เรียกว่าผลบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีมาตกแต่งให้แล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนอยู่ได้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นยังยืนไปแต่อัตภาพร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ที่ดวงขีดอาศัยอยู่นีมันก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนมันจะต้อง แตกดับทำลายไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ทำลายเ ม, เ, เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงไปอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละเราจึงไม่ควรหวงเห็นทรัพย์สมบัติอันมีจำนวนมากๆอย่างนี้ควรแบ่งสรรพันส่วน ทำบุญบริจาคทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างนี้นะเราก็สละทรัพย์ใจออกมาบำรุงวัดวาศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองไปให้เป็นที่อยู่อาศัยของวิสุสามเณรเป็นที่อยู่อาศัยของทายกทายิกา เทเข้าไปจำสินภาวนาฟังธรรมอบรมกายวาจาใจของตนเป็นครั้งเป็นคราวนี่ก็เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็สละปัจจัยนั้นออกไปบำรุงรัตวาศาสานาให้เจริญรุ่งเรืองภิกษุสองสามเณรได้อาศัย แล้วท่านก็ได้ทำความเพียรภาวนาละอาสวะกิเลสให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจก็พราะได้อาศัยปัจจัยสี่ของผู้มีบุญวัสนะบารมีได้สละออกมาให้ทานนั่นเองทอยที่ทอยอาศัยกันญาติยโยมชาวบ้าน ได้ทําบุญในทานแก่ภิกษุสามนเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามธรรมตามวินัยผู้บรรเทากิเลสทนายน้อยบาวบางลงได้เมื่อญาติโยมทําบุญบริจาคทานกับภิกษุสามนเณรพูดภาคเพยไม่ยามบรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้ด้วยการปฏิบัติ ตามธรรมตา ม, ตามวินยัยคำสอนของพระเจ้าอย่าโยมทำบุญบริจาคทานก็ได้บุญมากเป็นอย่างนั้นภิกษุสามเณรได้อาศัยปจัจจัยสี่มีอาหารบินาบาทเป็นต้นกับทายกทายิกาทั้งหลายแล้วบำเพ็ญเพียรเจริญธรรมะวิปัสสนาทำลายอาสวะกิเลสให เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิตใจได้นี่วิกตุสัมเนีได้อาศัยปัจจัยสี่จากทายกธายิกาผู้มีสถางหลายจึงนำตในใด้พ้นจากทุกข์ไปได้อย่างนี้ถอ้อยที่ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะทายกทายิกาถ้าหากว่าไม่ได้เห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย ไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบอย่างนี้ศรัทธาความเชื่อความรวมใช้ก็ไม่เกิดทำบุญได้ทานก็ไม่ได้เพราะว่ามันมองเห็นผู้รับทานนั้นนะยังแน่นหนาแน่นไปด้วยกิเลสตันหยอยู่ยังมีบาปกรรมอยู่อย่างนี้นะ ม, มันก็ไม่ยิ่งไปกลัวตนไม่แตกต่างไปจากคนธรรมดาทั่วๆไป มันคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ให้ทานไม่ลงอืมันเป็นอย่างนั้นเดืองมานะ่ะดังนั้นจึงว่าการบําเพ็ญบุญกุศลนี่นะ่ะทั้งฝ่ายนักบวชก็ดีฝ่ายกระลือหัดก็ดีท่อยที่ท้อยอาศัยซึ่งกันและกันดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจอเนี่ยผู้มั่งมีสีสุข ถ้าใครคิดพิจารณาเห็นอำนาจแห่งประโยชน์ของการบริจาคทานอย่างนี้แล้วก็เกิดปีติประโมทขึ้นในใจสละเข้าของเงินทองเท่าที่สละไปได้ออกบูชาพระพุทธศาสนานี้ไว้อย่างนี้แล้วก็มีอานิสงส์มากมีผลมากนะคนร่ำรวยนะหากว่า ใช้อบายปัญญาพิจารณาอย่างนี้สอนใจเตือนใจให้รู้ให้เห็นอานิสงส์แห่งการให้การบริจาคทานโดยเหตุผลดังพรรณนามานี้นะแล้วเกิดปีติขึ้นในใจบุญกุศลก็ามากสิวะเนี่ยนะบุญกุศลก็ามากแถมยังในรักษาศีลห้บริสุทธิ์อีกด้วย ยังได้ว้พะนั่งสมาธิภาวนาประกอบกันไปทาใจให้สงบระ ง, งับลงไปให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้ใจเพิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสารประโยชน์อะไรควบคุมจิตใจตั้งมั่นอยู่ภายใน พจารณาให้เห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของแตกของดับเป็นของทนได้ยากลำบากเป็นของไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดดังนั้นจึงควรปล่อยควรวางเพราะ ข, ขืนถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย นามโลกวันี่ก็มแีแต่แตกดับทำลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองสิ่งที่ติดตามบุคคลไปก็บุญกระ บ, บาบท่านนั่นแหละท่านผู้ละบาปหมดเส็จแล้วทำบุญได้เต็มแล้วท่านก็ไม่มีอะไรติดตัวไปวะนีนะ่ก็มีแต่จิตอันบริสุทธิ์เข้าสู่พระนิพพานไปก็หมดทุกข์หมดยากในสงสาร นี่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านในบรรุมาแล้วเพราะท่านปฏิบัติตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ท่านพระพุทธเจ้ายังตรัสภาสิทธิ์สรเสริญพระนิพานด้วยว่านิพมานังปรามังสุขขังพระนิพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมอืม ดังนั้นนะชาวพุทธเราก็ขอยพากันพิจารณาตามธรรมะที่แสดงให้ฟังมานี้ในระหว่างคนยากคนจนกับคนรวยถ้ามีอุบายแยบายในใจดังกล่าวมาแล้วนั้นก็มีมีบุญมากเหมือนกันนะบางทีคนรวยนะอาจจะมี บุญมากกว่าคนจนทําบุญให้ทานก็ได้เพราะว่ามีทั้งอบายแอบคลายในใจแล้วก็มีทั้งการเสียสละเอาของเงินทองออกได้มากๆเลยอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเลยมันก็ได้บุญมากแหละแบบนั้นนะอันที่ว่าทุกขต า, าได้บุญมากนั้นก็เนื่องจากว่าเพื่อนเสียสละของรักของชอบใจ ได้เป็นอย่างน่าอัศจรรย์เช่นมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งนี่นะยังสละออกไปได้แล้วเย็บไปไม่นุ่งแทนผ้านี่ในโลกนี้ใครบ้างที่ทำได้มีกี่คนหนอเข้าใจว่ามีน้อยที่สุดเลยอเป็นเช่นนั้นเรื่องมานะดังนั้นนะขอให้พากันฉลาดเข้าใจในการบำเพ็ญบุญกุศล ทั้งคนยากคนจนทั้งคนร่ำรวยก็ทำให้ได้พยายามทำบุญให้ได้ค้นชนนะเมื่อไม่พยายามทาบุญแล้วเกิดไปชาติหน้าก็ยิ่งทุกข์หลายเมื่อตัดสินใจทำบุญในชาตินี้แล้วเกิดไปชาติหน้าบุญกุศลอันนี้ก็จัดอำนวยผลให้ร่ำรวยมั่งมีสมบูรณ์ด้วยลาบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจ ได้จริงๆทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลนี่เองนะไม่ไม่ใช่ว่าอาศัยอย่างอื่นนะบุคคลจะบรรลุถึงซึง่งพนิพพานได้นะนะั่นเมื่อผู้มีบุญมากๆเข้าไปแล้วบุญมา ก, กบันดาลให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกสงสารอันนี้มองเห็นอะไรก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงไม่อย่างยืน มองเห็นว่าจะไม่มีอะไรสวยงามตามที่โลกสมมตุติถ้าเพ่งถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามโดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ไม่มีอะไรสวยงามเลยสวยงามอยู่แต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกเท่านี้เองเพราะว่าสิ่งโถโครกมันไหลออกมาไม่ได้หนังปกปิดไว้ เท่านั้นเองนะจึงดูเหมือนว่าสวยงามต่อถ้ากาลอกหนังออกเสร็จแล้วในร่างกายนี่ดูไม่ได้เลยน้ำเลือดน้ำเลืง้ง น, น้ำนองอะไรทันลักไหลหลังทั้งเพออกมาใครจะไปดูได้บะนีอดูก็ดูด้วยความรังเกียจเพรานั้นเองเนะนี่ยมันเพอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าหนังในยังหุ่มพ่ออยู่แล้วหนังผิวส่วนละเอียดนี่ก็ผิวขาวผิวเนื้อเป็งปังมีเลือดวิง่งทั่วร่างกายหน้าตาผิวพันธุผุดพองอา้าวหลงว่าสวยว่า ง, งามแทแล้ ว, วันนี้ กิเลสของมนุษย์เรานะ่ยมันกลับกอกถึงวั น, นั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าไม่ร่วมหน้าแกกิเลสทําใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็เพ่งพิจารณาดูดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเห็นหลอกหนังออกดูงี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยมีสวยงามอยู่แต่หนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองแล้วหนังหุ้มห่ออยู่นี่ ความสวยงามวันนี้มันจะไปได้แค่ไหนนานเท่าไรไม่นานเลยสมัยถาวาระยิ่งยิ่งไม่นานน ะ, ะคนอายุสามสิบสี่สิบปีไปแล้วห้าสิบปีแล้วร่างกายทุดโทมไปแล้วนะผิวผันทุกสีดแล้วอย่างนี้นะมันจะอะไร่ะเป็นของมาสวยงามอยู่ได้ยั่งยืนนานนะ ไม่มีอ่ะ อ, อายุมากเข้าไปเท่าไรผิวพรรณก็ยิ่งหมดไปเนื้อนั่งมังสาอะไรก็เหี่ยวย่นเหี่ยวยานย่นยานไปนเป็นเงินอะไรอะไรก็สำรวจทุดโชมไป่หมดแหละใน ร, ร่างกายนี้นะหยูดนานไปแล้วผู้ที่ไม่ ให้ปัญญาพิจารณามันก็ไม่เห็นความเบื่อหน่ายไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันนี้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะ่ยอย่าไปทิ้งอย่าไปเพลินไปเมาไปทรงจิตเปคิดไปในเรื่องภายนอกอื่นๆใดมากมายมันไม่มีประโยชน์อะไรทรงจิตคิดไปอย่างนั้นนะ ในเมื่อเราได้น้อมสติสำมรวมจิตเข้ามาภายในมาเพ่งให้ใจสงบประ ง, งับตั้งมั่นลงไปแล้วมาพินิษพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันย่อมเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยมันจะค่อยคลายความกำลัดกินดีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราให้เบาบางออกไป จากจิตใจนี่เสมอเสมอไปอเมื่อมันคลายความยึดถือในร่างกายนี่ไปเท่าไหร่จิตใจก็มีความสุขความสงบไปได้เท่านั้นเลยบัดนี้ใจสงบเป็นสุขแคอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยร่างกายนี่ถึงจะมันไม่ไม่มันไม่สุขแต่จิตใจมันมีความสุขแล้วมันก็ใช้ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้พาการฝึกใจตรงนี้ให้สงบให้ระ ง, งับจากความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้น้อยให้บาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็จะเป็นผู้ได้รับความสุข อันเกิดจากความสงบระงรับของจิตใจเน่ันพันเรียกว่าความสุขอันเป็นแก่นสารบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวจะได้เป็นจะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารอย่างยืนตลอดไปดังแสดงมา